จิตกรรมพิธีกรรมของพวกเราแต่เบื่อหน่ายก็ยทําไปอัดไปสายอ้อมสายตรงบ้างสายตรงโก็ยกมือสร้างจังหวะเห็นความรู้เห็นความหลงเข้าไปเห็นกายเข้าไปเห็นเวทนาเข้าไปเห็นจิตเข้าไปเห็นทำเข้าไปเห็นแล้วขี้หน้ามันได้สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเลาขอ เวทนาสัจเปเวทนาไม่ใช่สัจบุคคลตัวตนเราเขาจิตก็สักว่าจิตไม่ใช่สัจบุคคลตัวตนเราเขาธรรมก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัจบุคคลตัวตนเราเขาสายตรงบุคา้าไปเปิดเข้าไปเผยเข้าไปหมายของที่คพ่ำออกไปเผยของที่ปิดออกไปส่องสางสว่างในที่มืดให้เกิดความแจ้งเข้าไป เห็นกายเห็นเวทนาตามความเป็นจริงเข้าไปเห็นโตหินตนที่มันไปยึดอะไรเข้าไปอุบาทานอันดังห้าเห็นรูปก็ดีเป็นเวทนาก็ดีเป็นสัญญาก็ดีเป็นสังขารก็ดีเป็นวิญญาณก็ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้สาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องของกายของใจเข้าไป จนบุกเข้าไปเปิดเข้าไปพังทลายเข้าไปว่าสายตรงตรเมื่อสาย ต, งตงรยตงเข้าไปแล้วไว้ทำลายของโรคของโกดขอ ง, งหลวงรอยภพชาติอุปทานขันธ์ห้าทำลายสังโยตสกยาธิฐิวิจิติฉาชีพตะปละมหัตตมราคาัปติคะมานาทิติเข้าไปที่เป็นพ่อเป็นชาติพ่กคุณอยู่ใน ความเห็นของเราที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เกิดสมถทิตฐิเข้าไปบูกเข้าไปเปิดการกระทำ ท, ที่ชอบเกิดก็คิดชอบระลึกชอบตั้งสติชอบเข้าไปมั่นคงเข้าไปยึดเข้าไปธรรมก็ป่ายแพ้ออกไปธรรมก็เกิดขึ้นเลยไปในกายในใจเป็นธรรมด้วความเป็นธรรมเกิดขึ้นความหลงไม่เป็นธรรม ความรู้ถึงตัวเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมยึดเข้าไปหายใจเป็นธรรมต่อกันอะไรที่ไม่เป็นธรรมมันโชว์ให้เห็นสู้เข้าไปปาดกวดเข้าไปออกไปเหมือนเรากวดบ้านอริผลเ้องไหนขวดออกไปมันก็ได้ความสะอาดสะอาดกายสะอาดใจแล้วว่าสายตรงๆเข้าไปอย่างนี้นต น, นี้ สมัยเจ้าพ่อชายเสีฐะแสวงหาโมกขธรรมไม่มีพิธีรีดองอะไรเมื่อเข้าถึงสภาวะธรรมสายตรงเข้าไปแล้วแต่ว่ า, าศาสนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีาศาสนธรรมเกิดขึ้นเพียงค่อยมีศาสนพิธีศาสนบุคคลศาสนาวัตถุเกิดขึ้น ม, มาตามหลังเพื่อเกี่ยวข้องกันและกัน เป็นหมู่เป็นบุคคลเป็นหมู่เป็นสงฆ์เป็นคณะเป็นศาสนะบุคคลเกิดขึ้นเพียงคนเดียวคือพระพุทธเจ้าต่อมาจึงมีศาสนวัตถุเกิดขึ้นมีวัดวาลามเกิดขึ้นต่อมาจึงมีสาพิธีเกิดขึ้ น, าา น, สาสานทีหลังเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงแต่สาพาิธีศาสนาวัตถุศาสนาบุคคล ไม่เข้าถึงศาสนธรรมพุทธังสังนาจามิว่าแต่ปากธรรมสังนาจามิว่าแต่ปากขังขังสังนาจามิว่าแต่ปากเมือ่อศาสต์ปากซื้อศีลยังโกรธยังหลงยังทุกข์อยู่เป็นการปิดบังอําพรางตัวเองเน่าเข้าไปถึงศาสนาธรรมแล้วไม่แต่พิธีสวนมนต์ไหว้พระเป็นนาคเบื่อหน้าเตียดคนส่วนมากก็ โทษตันสวดมนต์ไม่อยากจะสู้โลภีกเพราะมันน่าเกียดบางทีทะเลาะกันเวลาสวดมนต์บางทีเบื่อหน่ายอย่างเจ้าวาดวัดหนึ่งอยู่ตาบลบ้านเก่าญาตดีสวดมนต์เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงวันพระวันศินต่ญาติยอมสวดญาติยอมก็สวดเนี่ยแน้อยพากันลูกดีพอให้หลงตาสวดอยู่คนเดียว ถึงเวลาสวดมนต์เขาก็เบื่อที่สุดสวดนานเกินไปไปรู้เอาสวดอะไรมาไม่ใช่สวดพระพุทธเจ้าสอนเอาไาจากพิธีรีทองอะไรต่างๆเยอะแยะจํามาเอามาสวดกันหลวงตาก็เคยไปสวดด้วยเช่นเดียวกัมนต์ไปเทศไปสวดด้วยไม่มีราเทศเลยสวดมนต์จบสองชั่วโมงกับวัดตันเตียอีกว่าหนึ่งตะบนหนองขามที่หลวงตาเป็น ผู้ปกครองอยู่ทะเลาะกันกลางพ้องเลยตวดไม่รู้บทใด้จะวาดเป็นนําน้ําไปน้ําไปก็ย่าติโยมเขาก็อาจจะลู่ก่อนเอาจะลูกหัวพระมันเช่บทนี่บ้างบทนี้บ้างเอาเจะวาดขึ้นบทหนึ่งโยงขึ้นอีกบทหนึ่งก็เถียงกันกลางพ้องเลยด่ากันทะเลาะกันผลในส่วนไล่กันหนีจากวัดเลย แล้วก็ต้องไปรับอธิกรณ์เฮอส่วนมนต์ธรรมแต่นะรังวังก็จะเอาบทนั่นบทนี้สมควรที่หยดเข้ามาหยดไปกันเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆไปสะเพชัตตาสัดตั้งหลายจบงลงแล้วอกุศลจงบังเกิดด้านบังเกิดนิพพย์ยาวเยื่ตร์โหยวายขึ้นมา คิดกันถูกกันได้เอาอ้างกันแล้วกันอ้างกันเลยถ้าเราก็อยากให้มันน่าเบื่อให้พอดีพอดีตั้งนาฬิกาเวลาอย่าให้เกินสามสิบนาทีอย่างช้าที่สุดตอนเทศก็อยาให้เกินสามสิบนาทีสุกโตเนี่ยเขาบัญจัดให้เราเลยข้างหน้านั่งสมาธิก็มีนาฬิกาข้างหน้าดังเทศก็มีนาฬิกามองนาฬิกาอ่า เขาให้เทศสามสิบนาทีทางวัดสามสิบนาทีก็พอดีกอดีกันอันนี้สาจะพิธีพอเข้าถึงสาจัพิธีเราคนก็เบื่อกันเป็นแถวเลยไม่เข้าถึงสาจะ ท, ทำลายสาจะประตุเอไม่อะไรต่างๆก็มีวัดวาอารามอาพุทธโูกสถูกเจดีย์ต่างๆ พรห้อยพระเครื่องเครื่องรางของขลังศาสนาพุทธอันอนี้ก็มี่ก็อาจจะจริงกว่าศาสนาพิธีด้วยเขาได้พรเครื่องแขนคอห้อยคออะไรต่างๆเขาตั้งวัดตั้งวาเป็นศิษย์สกุลโบชาก็มีคนมาใช่มาสอยศาชนะพิธีเนี่ยก็ส่วนมากจะมีแต่พระสงฆ์ไปทากัน ถ้าโยมีน้อยไม่ใช่สากล ส, สารธรรมในสากลเราเร่องกับนี่อะไรเกิดขึ้นมาทีหลังนี่พระสงฆ์เกิดขึ้นมาทีหลังมีรูปแบบเกิดขึ้นมาทีหลังระเบียบปกครองกันขึ้นมาทีหลังให้แต่พระชีวรนี่จังหวก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้กระหาเก็บมามาัดปฏิปตะกันต่างคนต่างแยกไปเป็นเล็กเป็นใหญ่บางคนก็ได้เป็นใหญ่มาก วัวได้ผืนใหญ่มามายม้อมพาย้อมบาิตากก็มีขโมยมาลักไปเขาไปแปลสภาพเป็นเสื้อเป็นผ้าได้เปนกันจนกันทานสูตรเห็นผ้าของพระตากอยู่ผืนใหญ่เอาไปห่มด้วยย้อมสีใหม่อาจเป็นเสือ้อเป็ น, านกางแจงได้ก็ามาประชุมกันเอาอย่างไรดีก็เลยเอาแบบทุ่งนาของเมือง นาลันทาเจตุนาของภาสาลิบุตนั่งอยู่บนยอดเขาฮิจกูดมองไปทางทิศตะวันดอกเห็นคันนาของนาลันทาเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์บ้านสาลิบุตโมกันลานะ้็เลยมองออกไปเห็นกระดูกกันเนี่ยกระดูกนี่เป็นคันนาเขานะ่ะอัตกุศีอา น, านุวัฒนมันเป็นล่องนาเขาน่ามันไหล น้ำของเขาไหลอยู่วนคันนานะก็เลยออกแบบตัดจีวรแบบคันนาของนารัทธาแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> แม่นรพระกมก็เอาแบบเามาก็มามีพระมีนนมามากขึ้นแล้วเจ้าก็บวชเอหิภิกขุเใหิภิกขุบวชให้ก็ไม่ยากสมัยก่อนท่านจะเป็นพรกสูงมาเถิดทำแล้วใหญเราตัดไว้ดีแล้ว ตจงไปผู้พิรรมให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดถ้าใครยังไม่เป็นพระอาหารเราหยางคนตรยาเป็นพระอาหารก่อนจงเป็นพิจูมาเถิดป้าใมื่อไหรเราตัดไปแล้วจงเป็นผู้พิรรมนั่นเถิดหมายถึงว่าไม่มีที่สุขกันยาวกรตะยะปวดทุกข์แล้วจงพิษพรหมจันทร์นั่นเถิดว่าเท่านี้ก็งหอมจีวรนเป็นพระได้ออกมาก็มีมากขึ้น บวชเอ้พิคูนี่ประมาณไม่มากประมาณพันกว่าลูกเอ้พิคูสัมมาดาบวชกับผู้เจ้าพระ อ, องค์เดียวเมื่อมีลูกจิตมากขึ้นอยู่คนละที่ละทางก็จะมาบวชกับผู้เจ้ามันก็ไกลก็เลยบัญญัติขึ้นว่าให้บวชได้ให้กนญาผามากนญ า, าเป็นพระอวโุโสไปบวชได้ ไปอยู่ที่ใดก็บวชได้ย่างได้บวชได้บวชได้เข้าถึงวรรดตั้ตต่อมาอีกก็ไม่ได้อีกอ้าบวชยติจตุกรรมวาจะมีสงสี่ห้าลูกขึ้นไปที่ส อ, ง ท, ง, อทงที่หนึ่งอ่าที่ขั้นที่หนึ่ก็ร่ะเอหิปิกุขั้นที่สองตีฉลคุคมวาธรรมปทาขันที่สองแกติจตุกรรมจนมาถึ ง, ถ ง, ถงวบวนในบวช ต่อมาก็มาแปลอีกแปลอีกเป็นนิกายอีกไปแอบแยกกันไปเป็นมหายาณเป็นเถรวาดไปเข้ามาก็มาเป็นธรรมยุทธมหานิกายมาทีหลังสมัยราชยานที่สี่ต่อมาก็จะเป็นนิกายอะไรไปอีกโพธิลักษ์เกิดขึ้นเอา้าเป็นนิกายไปอีกแล้วเขาวุ่นวายไปเลยไอ้ศา ส, สนพิธีศา ส, ะสะนบุคคลเขาก็แตกต่างกันไปศาสนบุคคลแตกต่างกันมหายานก็นุ่งห่ม เสื้อแขนเ ย, ยาวของเก่งขายยาวสวมรองเท้าธรรมวัดก็ยืนสวมรองเท้าไม่มีถอดรองเท้าเลยสวมรองเท้าไปไหนสวมรองเท้าธรรมวัดสวดรองเท้าอ้ธรรมวัดก็สวมรองเท้ายืนสวดหลวงพ่อก็ไปยืนสวสดกันมาหาอย่างเป็นคนละแบบกับนการจับต้องกับผู้เยิงก็ได้สบายนั่งกินข้าวด้วยกันตโต๊ะกลมด้วยกัน อ่าเรียกกันมามามาอ่าแล้วนั่งกินเข้าวตอดที่พระก็กินเข้าหมดแล้วไม่อิมลุกขึ้นไปตักอาหารที่รงอาหารออกมากินอ่ามาตักขยะยมด้วยก็มีพระตักขยะยมตักมาเราก็แบงแบงแบงแล้วก็กินกันเอามือสอดไปติดต้ออาติดตากันแล้วไม่เป็นไร เขาก็าแม่ชี็มิกสเน่ก็ตักให้เราเอ้าเรานั่งนี่เบียดเข้ามาตักออกมาอย่างก็เป็นอย่างนี้แต่เขาเฉยเฉยไม่มีความหมายอะไรเพราะนั่นนี่ก็ศาสนาบุคคลก็แตกต่างกันไปศาสนาพุทธศาสนาพิธีแตกต่างกันไปส่วนสาสาธรรมนี้อันเดียว แต่คนให้เข้าถึงศาสนาธรรมในก่อนจึงจะทำสาเชพิธีสาธวัตถุสาธสารณะบุคคลถูกต้องถ้าส า, สาธารธรรมไม่มีนะหัวใจแล้วปเปื้อนไปหมดเลยอะไรก็าำหลงไปแต่พื้นต่ือไปเราจึงมาเข้าถึงสอนสนามีสติเข้ามาทันทีมันหลงเห็นความหลงมันทุกข์เป็นความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ ไม่อยากจะพูดอะไรมันเน่อชา้าทุกวันแน่เสียเวลากับเรื่องสาช่พงพิธีสารนวัตุบางคนเอาเราไปใช้สาชพธิธีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกมว่าแมก็เสียเวลาตรงนั้นมากทีเดียวรารสานชาธรรมเนี่ยทำไงเราพวกเราจะเข้าถึงเล้เรต้องมีสถานที่แบบนี้เป็นวิธีของเราใครมาก็า ม, าามาสอนกันอย่างนี้มาเดินจะก้มมานั่งยกมือสร้างจะวะ ให้เขาสายตรงๆแบบเนี้มาสายตรงแบบเนี้ยก็ไม่มีสถานที่แบบนี้มันไม่ตรงเลยอย่างเราไปสถานที่อื่นวัดตื่นเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยมืดปิดทุกวิธีการอย่างไปวัดบางที่อาติยอมเข้าวัดน่ะตั้งตู้บุจากสี่สิบห้าสิบตู้ก็มีตู้บุญจากมีทั่วไปเขียนไ้เลย ค่านั่นข้านี่ค้านั่นค้านี่ไปเราก็เวียนไปสร้างบริจาคบูชาดอกไม้ทุกเทียนเอามาคนนั่งขายดอกไม้ก็มาเอาทุกบริจาคไปไปกราบพระพุทธรูปปางนั่นปางนี้ยกมือไหว้ปางนั่นปางนี้ไปแป๊บแป๊ป๊บเขาก็ชวนไปไหว้พระประธานพระวัตถุต่างๆไม่เยอะแยะต้องไหว้กราบ กว่าจะกลับมาทุกโลกเป็นวลาชั่วโมงมธรรมดีก็แม่แตึงตึงๆไปกว่าจะเปิจากทุกทูกโอ้ต้องหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยจาบวิธีเนี่ยควงกันอย่างมากเลยคนเข้ามาถึงทำบนเยอะะก็ยังโกรธยังทุกข์งหลงทะเลาะว่ากันกันบ้างเมืองเราตัวไหนข้าลูก พ่อพ่อข้าแม่ข้าปัญญาสามี่างท่างที่มีจารนาพุทธังสังฆฉามีว่าได้ทุกคนไม่แต่ปากวาสานุกแข้วหนุกขนทองเพราะเข้าไม่ถึงศาสนธรรมจะทำไงพวกเราจะเพื่อให้เข้าสายตรงๆอย่างนี้ อย่าให้เสียเวลากับศาสาพิธีศาสาวัตถุศาสานาะบุคคลกินไปถือเจ้าคนพระครูกันไปไปบอกเรื่องความโกรธความโลภความหลงความทุกข์อุปทานขันอย่างไร ใ, ให้ฉลาดตรงนี้ก็ยั่งหูฟังบ้างธอไหมายนี่เอาแต่ว่ายพ่อบอกให้ประพฤติรมเรากำหูไม่ค่อยทำกั น, นเราจะร่องวกเบิลให้บ้าง ช่วยกันทั้งพระสองทั้งอวราชกปาชิกาพูดกันทำให้ดูอยู่ให้เห็นเดีย๋ยนี่มันไม่มากมีนิดหน่อยไม่เพียงพอขาดแทนขาดแกนสาธาธรรมแม่แต่เขาเทศออกตานีวิทยุอ่านสอนแต่ละสำนักแต่วัดเนี่ยจนมี การโคบพุ่งพระนักเทศจะให้สอนอย่างไรมีระเบียบของมาเจรจอาคมบางคนเทศเพื่อเกิดผลปรโยชน์ลอยบอกวนวอกสลโทษกระถินผ้าป่าบางคนเทศเพื่อต่อล่างสร้างวัตถุปลูกเศษที่โน่นที่นี้ขึ้นหนังสือพิมพ์ขึ้นสไลด์ตามถนนนทางเรื่องปลูกเศษ แล้วแต่จะคิดกันในช่วงบางช่วงจะสงครามรามเทพนานจนเป็นปีสองปีแถวนี้ก็งดลงมากคนก็หลงไปพูดอะไรมากก็หลงไปทางนั้นข่าวอะไรเนี่ก็หลงไปก่าวน้ําท่วมกรุงเทพก็หลงไปคนก็มีสมองไปย่อมเบาน้ําท่วมเศรษฐกิจสหรัฐลม่มคนก็มีทุกข์อะไรก็เป็นไปตามโลกไปเลย เดี๋ยวนี้ก็เกิดโจนผู้ร้อยมากขึ้นลักกระทั้งรถแมคโครสร้างรถเชนเ0้าพันบาทไปขนลักรถแมคโครเอาไปขายกันละสองสามแสนบาทลัก Mac แมคโครเลยทวนนี่ว่าไอ้คนเพืนพ <c oughs> น น, นั้นในภูดันไปเยี่ยมบ้านไปดูบ้านที่พัทยาเขาขโมยหมดรั่วบ้านที่เป็นเหล็กดัด ตัวหน้าต่างดัดเครื่องสูบน้ำเครื่องแอร์สามสี่ตัวพัดลมมันปดกบนหมดเลยเพดานที่มีโลพิเนียมทงยิบจมเป็นเพดานลื่อหมดเลยต้องประกาศขายว่านวันรักขโมยว่าอะไรเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ นอนตาก็เลยเห็นว่ารถเราจอดอยู่เดียวๆตรงนั้นมานอนอยู่กับรถได้สองสามคืนแล้วสงสารรถกับอาจจะเขาก็บมอยหรือเปล่าเพื่บอกฮั่นทางการเอาไปจอดได้นั่นก็ดีนะแต่ก็มันจะดแล้วเตือนนี่แถวนี้นก็ บ, บ้านนี่ก็ประกาศว่ามีมีขโมยแล้วอันมีอะไรมันเดือดร้อนกันเราจึงต้องระมัดระวังอย่าประมาทมาตรการใช้ชีวิตใช้ทรัพย์เสียงเงินทองอย่าุสุร้ราย เศรษฐกิจมันล่มสลายยังแต่ยังข่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐ ล, ล่มพวกเราก็เดือดร้อนอาจะเสี่ยงค่าบางอย่างก็กั่งตนวกันแ้าทําไมอะไรที่เราํำได้อะไรที่เราํำได้ไททไดแทบจะไม่มีเราเพิ่งว่าสายพายนออ ก, กันไปอมันก็จำเป็นแต่เรื่องของจิตใจต้องพึ่งตัวเองให้ได้เข้าถึงสายตรงๆเอาไว้ก่อนเถอะ ใ, ใจเนี่ย อย่าไปทุก์อย่าไปโกรธอย่าไปโลภอย่าไปหลงอย่าไปวิตกกังวลเช้ามองครับแช่นใจเรื่องใดอายุตไว้ก่อนเรื่องนี้ต้องมีงมเป็นเศรษฐีในทางธรรมอย่าขาดแข น, นเรื่องอื่นค่อยว่ากันไปไม่กินข้าวสักสองวันสามวันก็ไม่ต้องทุกข์ก็ได้กินน้ำลงไปตื่นน้ำลงไปก็ไม่ต้องทุกข์หลยใจนะ่ะ เอมันจะเจ็บก็ามาเป็นทุกข์ล่ะมันจะตายก็ามาเป็นทุกข์มันแก่ก็ามาเป็นทุกข์ตรงนี้เป็นสมบัติของเราแทๆ้ๆสายตรงมีจิตที่ทาได้อันอื่นไม่มีจิตที่จิตที่คือกายใจของเราเนี่ยเอามาละความชั่วเอามาทําความดีเอามาทามํ า, าทให้พึ่งได้พึ่งความดีที่อยู่ในกายของเราพึ่งความดีอยู่ในใจของเรา อัางที่เพื่อนกันกษมเสี่ท่าเนี้สายตรงเนี่ยเอาไว้ก่อนอย่าอ้อมแ้มหาเรื่องที่จะมาทำลายตัวเองในความคิดในรูปลถเย่นเฉียงมาทำลายตัวเราวันไม่ชอบไม่ชอบทำนี่เราก็เห็นเพื่อนกันเวลาใดที่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นช่วยกันดูแลสั่งสอนคาโยม อะไรที่มันเหมาะสมเช่นอบรมเด็กนักเรียนเนี่ยเอาบทไตรมาสวดเอามงกวนสวดบ้างเอาบทที่เด็กๆมันรับได้อะไรบ้างเผื่อเด็กเผื่อเล็กบ้างจัดโปรแกรมจัดฉากลงไปช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งอยอมก็ได้มาบางคนกอไม่อะไร แทนเป็นต้องนั hmm. ่งอยู่แล้วเราก็งานไม่ได้ให้โอกาสเขาอย่าพั่มเพื่อการตอนรับญาติโยมอย่าพั่มเพื่อให้พอเหมาะพอสมก็ให้เขาไม่พอเขาก็ไม่อิ่มถ้ให้มากเกินไนก็ล้นเหลือเรียกว่าน้ำ่วมทุ่งฝักบุ้งหลงเหลงแล้วก็ใช่ไปได้ให้มากก็รับไม่ไหวให้น้อยก็ไม่เพียงพอเราต้องรู้เราต้องรู้จักการเจอจะ เราก็ยังศึกษาอยู่นัน่นนี่ไม่ยบไม่เช่นเด้ออาจจะทําไมจังพ อ, ดอเดี๋ยวนี้ก็มักจะสชดูไปวัยมักจะพูดอะไรที่มันตรงๆเข้าไปอยากจะพูดว่าอ้าเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนควา ม, ม, ม, ม, มโกรธเป็นความไโกรธพูดตรงนี้มากๆเลยแต่พูดดังนี้ก็ไม่นานเลยเท่นี้เองสายตรงพวกเรา แต่บางคนก็ไม่พอต้องถามเราบอกว่าอย่าเอาความคิดมาถามเอาความคิดมาถามมันไม่จบไม่สิ่นทั้งออกกลางทำมันเกิดอะไรขึ้นหนามาถามเรียกว่าสอนนำมาถานถ้าคิดมาถามเนี่ยไม่มีทางจบได้เหมือนหลวงพ่อเทียน่ะไปถามอาจารย์มหาสีจันทร์ถามนับแต่จำคำจนถึงสว่างอ้อามาถามเาั่ว เป็นคําพูดคำหนึ่งที่หลวงพ่อมหาชิจันตอบหลวงพ่อเถียนโอ้ยพี่เถียนเด๋วยวจ้องจงมาถามจึงที่สิบมือสิบขืนก็บอู้งอกเวีจ้าต้องปฏิบัติเอา้ที่เอาคําคิดมาถามเนี่ยมันบ้าทุกดอกต้องปฏิบัติแล้วมันเห็นเนี่ยมาถามจึงมาลงมือปฏิบัติจึงมาเข้าใจเรื่องใหนกันคําถามเกิดจากความคิดมาถามเี่ย มาไม่ได้ให้มันเห็นก่อนเห็นรูปเห็นนามบางทีเห็นแล้วไม่มีคําถามเลยสัจธรรมการใดที่เป็นคําถามไม่ใช่สัจธรรมเห็นทุกข์ไม่ต้องถามเห็นความไม่ทุกข์เนี่ยถามไหมทุกข์เี่ยทำไงเมื่อว่าเกิดทุกข์เราเห็นแล้วความทุกข์เปลี่ยนเป็นตัวไม่ทุกข์เนี่ยตรงนี้ไม่มีคําถามเลยความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นว่าม่โกรธเปลี่ยนกวามโกรธเป็นความไม่โกรธไม่มีคําถามเป็นตัวปฏิบัติลงไป อันนี้ก็จะลาคนมนไปใส่ผมก็มีเกี่ยวข้องกันหลายอย่างกนเราเนี่ยเรียกว่าจารตัตะกิริยาประโยชน์ญาติพุทธตะกิริยาประโยชน์พระพุทธศาสนาโลตะตะกิริยาประโยชน์โลกไม่ใช่เราตัวคนเดียวอยู่กับโลกเขาอยู่กับพระพุทธศาสนามีญาติในทางธรรม เราทำประโยชน์ประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกประโยชน์แจพุทธศาสนาเราเราไม่งานทุกคน